เรื่องพรามชื่อปัญจคาทายกถวายพัดคืออาหารที่เป็นเดนพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในเชตวันทรงปราบพราหมณ์ชื่อปัญจคทายกดังได้สดับมาพราหมณ์คนหนึ่งย่อมถวายทานในการห้าจึงได้ชื่อว่าปัญจคทายกคือเวลาที่เกี่ยวข้าวเสร็จ ชื่อว่าเขตตะคธาทานขนข้าวสู่ลานเสร็จชื่อว่าคลรักธาทานนวดเสร็จชื่อว่าคลระพันทะคธาทานเอาเข้าวสารใส่หม้อหุงชื่ออุคลิภคธาทานและเวลาคดข้าวใส่ภาชนะชื่อปาติคธาทานเป็นทานอันเลิศทั้งห้าเรียกว่าปัญจคธทานซึ่งความเป็นเลิศของทานนั้นนอกจากความปราณีตของวัตถุ ใจต้องมีศรัทธาและวัตถุนั้นต้องสมบูรณ์บริสุทธิ์ได้มาด้วยสุจริตวันหนึ่งพระศาสดาสเสด็จโปรดพรามเพราะทรงเห็นอุปนิสัยแห่งผลทั้งสามของสองสามีภริยาพรามหันหลังให้นั่งบริโภคพัดไปแล้วส่วนหนึ่งมีพัดคืออาหารเหลือเครื่องหนึ่งเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่า ขอได้โปรดรับพัดคืออาหารส่วนนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่าพระศัสดาทรงตรัสว่าพรามส่วนอันเลิศก็ดีพัดคืออาหารที่ท่านแบ่งเครื่องบริโภคแล้วก็ดีเป็นของสมควรแก่เราตถาคตแม้ก้อนพัดคืออาหารที่เป็นเดนก็เป็นของอันสมควรแก่เราเหมือนกันแล้วทรงตรัสรักฐานี้ว่า ภิกษุผู้อาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีพแม้จะได้ก้อนพัดคืออาหารส่วนเลิศปปานกลางหรือส่วนที่เหลือก็ตามภิกษุไม่ควรชมก้อนพัดคืออาหารนั้นและไม่ควรติเตียนมุนีผู้สงบพึงขบฉันก้อนพัดคืออาหารนั้นบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้เป็นมุนี พระสาสดาทรงใกล้ครวนถึงธรรมะอันเป็นที่สัพพยะคือสบายเหมาะสมแก่พรามนั้นทรงดมริว่าชนทั้งสองนี้ในการพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ฟังภิกษุทั้งหลายกล่าวนามและรูปเราจะแสดงเรื่องนามรูปแก่ชนทั้งสองดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาว่าความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของของเรา ไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงอันหนึง่งผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีอยู่ผู้นั้นแหลเราเรียกว่าภิกษุอธิบายนามรูปได้แก่ขันหมีรูปประขันหนึ่งและนามขันสคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขัน ความยึดถือคือตัวอุปทานขันทำให้เศร้าโศกเป็นทุกข์อุปทานสี่ได้แก่กามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานและศิลปตุปาทานอนุปาทานโนปรินิพายติความไม่ยึดมั่นย่อมน้อมนิพพานเมื่อนามรูป ถึงความสิ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาผู้ใดเห็นตามความเป็นจริงย่อมไม่เศร้าโศกภิกษุคือผู้เห็นผู้ไม่ยึดถือในนามรูปที่มีอยู่ว่าเป็นเราเป็นของของเราภิกษุเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่านามรูปไม่มีอยู่จริงพระศัสดาทรงตรัสเรียกผู้นั้นว่าภิกษุ ในการจบเทศนาสองสามีภริยาตั้งอยู่ในพระอนาคามิผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้มาประชุมกันแล้วดังนี้แหละ